บทที่หกสิบสองเงาตะคุ่มที่เห็นแวบประหนึ่งภาพลวงตาอยู่ยังหมู่หินใกล้ตีนสะพานพังหนะหมุนควางแล้วลมหวบอีกหลายเงาแผนวูบเข้ากำบังหมู่ไม้และก้อนหินพร้อมกับเสียงคลางหวือของธนูที่พุ่งสวนเข้ามาพรานใหญ่กระชากลูกเลื่อนสลัดปลอกกระสุนเก่าทิง้งพลางเผ่นเข้าหาโคนไม้ริมทางพร้อมขยิน เชฐาก็ว่องไวขีดสุดแม้จะตกอยู่ในฐานะพิการช่วขณะก็ตามเขาเพ็นลงจากหลังแงซายพร้อมกับผลักเจ้าคนใช้ชาวดงหัวปักเข้าไปที่ก้อนหินเตียเต้ยๆออกไปข้างหน้าตนเองกระชากปืนสั้นขึ้นมาถือไว้ใช้ขาที่ยังแข็งแรงดีดยันตัวตามหลังแงซายเข้าไปบุญคำกระชัยยันผู้ช่วยกันหิ้วประคองมาเรียอยู่ก็ทิ้งกายลงระเนนทับกันลงกับพื้น